หอาศวัคยายาณ น, นิเทศแสดงอาศวัคยายานปัญญาที่มีความชํานาญในอินทรีสามประการโดยอาการ64ชื่อว่าอาศวัคยายานเป็นอย่างไรคืออินทรีสามประการอะไรบ้างได้แก่หนึ่งอนัญญาตัญญาสมีตินีสีอินทรีย์ของท่านผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเราจะรู้สัจธรรมที่ยังไม่รู้ สองอันร in ีย anyway. ีอินทรีย์คือปัญญาอันรู้ทั่วถึง 3. อัญญาตาวินรีอินทรีย์ของท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้วอนันญาตัญญสามีตินรีย่อมถึงฐานะเท่าไรอัญญีรีย่อมถึงฐานะเท่าไรอัญญาตาวินรีย่อมถึงฐานะเท่าไรอนันญาตัญญสามีตินรีย่อมถึงฐานะหนึ่งคือโสดาปฏิมัก อัญญีสี่ย่ 4, ยอมถึงฐานะหกคือโสดาปฏิผลสกทาคามิมักสกทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตตมักอัญญาตาวินสี่ย่อมถึงฐานะหนึ่งคืออรหัตผลในขณะแห่งโสดาปฏิมักอนัญญาตัญญาสามีตินสี่มีสัททินสี่ซึ่งมีความน้อมไปเป็นบริวาร มีเวรีนสีซึ่งมีการประคองไว้เป็นบริวารมีสตินสีซึ่งมีความตั้งมั่นเป็นบริวารมีสมาธินสีซึ่งมีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นบริวารมีปัญญินสีซึ่งมีความเห็นเป็นบริวารมีมนินรีซึ่งมีความรู้แจ้งเป็นบริวารมีสมนสินสีซึ่งมีความยินดีเป็นบริวาร มีชีวิตดินสีซึ่งมีความเป็นใหญ่ในความสืบต่อที่กำลังเป็นไปเป็นบริวารทาทั้งหลายที่เกิดในขณะแห่งโสดาปฏิมักยกเว้นรูปซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานทั้งหมดเป็นกุศลทั้งหมดไม่มีอาสวะทั้งหมดเป็นธรรมเครื่องนําออกทั้งหมดเป็นเครื่องให้ถึงความไม่สังสมทั้งหมดเป็นโลกุตระทั้งหมดมีนิพานเป็นอารมณ์ ในขณะแห่งโสดาวปฏิมักอนัญญาตัญยสมีตินสีมีอินทรีแปดประการนี้ซึ่งมีสหาชาตธรรมเป็นบริวารมีธรรมที่อาศัยกันและกันเป็นบริวารมีธรรมที่อาศัยกันเป็นบริวารมีธรรมที่ประกอบกันเป็นบริวารไปร่วมกันเกิดร่วมกันเกีย่ยวข้องกันประกอบด้วยกัน ทำเหล่านั้นเป็นอาการและเป็นบริวารของอนัญญาตัญญส า, ามีตินสีนั้นในขณะแห่งโซดาปฏิผลอันยินสีมีสัตทินสีซึ่งมีความน้อมไปเป็นบริวารมีเวริยินสีซึ่งมีการประคองไว้เป็นบริวารมีสตินสีซึ่งมีความตั้งมั่นเป็นบริวารมีสมาตินสีซึ่งมีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นบริวาร มีปัญญินซีซึ่งมีความเห็นเป็นบริวารมีมนินซีซึ่งมีความรู้แจ้งเป็นบริวารมีโสมนสินซีซึ่งมีความยินดีเป็นบริวารมีชีวิตินซีซึ่งมีความเป็นใหญ่ในความสืบต่อที่กำลังเป็นไปเป็นบริวารทำทั้งหลายที่เกิดในขณะแห่งโสดาปฏิผลยกเว้นรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานทั้งหมดเป็นอพยกฤ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 ประกอบด้วยกันทำเหล่านั้นเป็นอาการและเป็นบริวารของอัญญินรี้นั้นในขณะแห่งสกะทาคามิมกักในขณะแห่งสกะทาคามิผลในขณะแห่งอนาคามิมกักในขณะแห่งอนาคามิผลในขณะแห่งอรหัตตมักอัญญินี้มีสัจทินีซึ่งมีความน้อมไปเป็นบริวารมีเวรีนรีซึ่งมีการประคองไว้เป็นบริวาร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 ในความสืบต่อที่กําลังเป็นไปเป็นบริวารทำทั้งหลายที่เกิดในขณะแห่งอารหัตผลยกเว้นรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานทั้งหมดเป็นอัพยกฤิทั้งหมดไม่มีอาสวะทั้งหมดเป็นโล ก, กุตระทั้งหมดมีนิพพานเป็นอารมณ์ในขณะแห่งอารหัตผลอัญญาตาวินสีมีอินจีแปดประการ น, นี้ซึ่งมีสหาชาตธรรมเป็นบริวาร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 กามาสวะทั้งสิ้นย่อมสิ้นไปด้วยอนาคามิมักภวาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับกามาสวะนั้นอวิชชาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับกามาสวะนั้นย่อมสิ้นไปด้วยอนาคามิมักอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งอนาคามิมักนี้ภวาสวะทั้งสิ้นอวิชชาสวะทั้งสิ้นย่อมสิ้นไปด้วยอรหัตมัก อาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งอรหัตมรักษ์นี้ชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาที่มีความชํานาญในอินทรีสามประการโดยอาการหกสิบสี่ชื่อว่าอาสวะขยะยานอาสวะขยะยาน น, นนิเทศที่ห้าสิบห้าจบห้าสิบหก ถึงหกสสาาสตนจะจตุกะทวยะนิเทศแสดงยานในสัจจะสี่สองหมวดปัญญาในสภาวะที่ควรกําหนดรู้ชื่อว่าทุกยานปัญญาในสภาวะที่ควรละชื่อว่าสมุทยายานปัญญาในสภาวะที่ควรทาให้แจ้งชื่อว่านิโรธยานปัญญาในสภาวะที่ควรเจริญชื่อว่ามัคยานเป็นอย่างไร เสภาวะที่บีบคั้นสภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งสภาวะที่ทำให้เดือดร้อนสภาวะที่แปรผันสภาวะที่ควรกำหนดรู้แห่งทุกสภาวะที่ประมวลมาสภาวะที่เป็นเหตุสภาวะที่เกี่ยวข้องสภาวะที่พัวพันสภาวะที่ควรละแห่งสมุทัยสภาวะที่เป็นเครื่องสลัดออกสภาวะที่เป็นวิเวกสภาวะที่เป็นอสังกตะ สภาวะที่เป็นอมตะสภาวะที่ควรทำให้แจ้งแห่งนิโรธสภาวะที่นาออกสภาวะที่เป็นเหตุสภาวะที่เห็นสภาวะที่เป็นใหญ่สภาวะที่ควรเจริญแห่งมักชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในสภาวะที่ควรกาหนดรู้ชื่อว่า ทุกขญาณปัญญาในสภาวะที่ควรละชื่อว่าสมุทยายญาณปัญญาในสภาวะที่ควรทําให้แจ้งชื่อว่านิโรทะญาณปัญญาในสภาวะที่ควรเจริญชื่อว่ามาัคคญาณทุกขญาณทุกขสมุททยญาณทุกขนิโรธะญาณทุกขนิโรธคาไม่หนีปฏิปทายานเป็นอย่างไร คือยานของท่านผู้มีความเพี่พร้อมด้วยมักนี้ชื่อว่าทุกขยานทุกขสมุททะยานทุกขนิโรธยานทุกขนิโรธคามินีปฏิปทายานในยานเหล่านั้นทุกขยานเป็นอย่างไรคือความรู้ทั่วความรู้ชัดการเลือกเฟ้นการค้นคว้าการสอดส่องธรรมการกําหนด ด, หนดีการเข้าไปกําหนดการเข้าไปกําหนดเฉพาะ ความเป็นบัณฑิตความเป็นผู้ฉลาดความเป็นผู้ละเอียดความแจ่มแจ้งความคิดความพิจารณาปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินปัญญาที่ทำลายกิเลสปัญญาเครื่องแนะนำความเห็นแจ้งความรู้พร้อมปัญญาดังประตักปัญญาเป็นใหญ่ปัญญาเป็นกำลังปัญญาเป็นศาสตราปัญญาดังประสาสปัญญาเป็นแสงสว่าง ปัญญาเป็นรัศมีปัญญาอันรุ่งเรืองปัญญาดังรัตนะความไม่หลงการเลือกเฟ้นธรรมสัมมาธิทิซึ่งปรารบทุกข์เกิดขึ้นนี้ท่านกล่าวว่าทุกขญาณความรู้ทั่วความรู้ชัดความไม่หลงการเลือกเฟ้นธรรมสัมมาธิทิซึ่งปรารบทุกขสมุทัยเกิดขึ้นนี้ท่านกล่าวว่าทุกขสมยายาุทยญาณ ความรู้ทั่วความรู้ชัดความไม่หลงการเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิซึ่งปรารบทุกขนิโรธเกิดขึ้นนี้ท่านกล่าวว่าทุกขนิโรธยานความรู้ทั่วความรู้ชัดความไม่หลงการเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิซึ่งปรารบทุกขนิโรธคาไมนีปฏิปทาเกิดขึ้นนี้ท่านกล่าวว่าทุกขนิโรธคาไมนีปฏิปทายาน ชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าทุกขญาณทุกขสมทยายาุทัยญาณทุกขนิโรธญาณทุกขนิโรธกามิมีปฏิปทายานสญญาจยานะจตุกะทวายะญาณ น, นิเทศที่ห้าสิหถึง63สาจบห4สิบถึงห7 สุทิกะ mm. ปฏ no okay. <ไม>ิสัมพิทาญาณนิเทศแสดงญาณในปฏิสัมพิทาล้วนอัฏฐปฏิสัมพิทาญานธรรมปฏิสัมพิทาญานนิรุตติปฏิสัมพิทาญานปฏิภาณปฏิสัมพิทาญานเป็นอย่างไรเพื่ญาณในอัฏชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาญานญาณในธรรมชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาญาน ญาณในนิรุตติชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาญานญาณในปฏิพานชื่อว่าปฏิพาณปฏิสัมพิทาญานปัญญาในอัตตต่างๆชื่อว่าอัตตปฏิสัมพิทาญานปัญญาในธรรมต่างๆชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาญานปัญญาในนิรุตติต่างๆชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาญานปัญญาในปฏิพานต่างๆชื่อว่า ปฏิภาณปติสัมพิทาญาณปัญญาในการกำหนดอัตชื่อว่าอัฏฐะปฏิสัมพิทาญานปัญญาในการกำหนดอัตชื่อว่าอัฏฐะปฏิสัมพิทาญานปัญญาในการกำหนดธรรมชื่อว่าธัมมะปฏิสัมพิทาญานปัญญาในการกำหนดนิรุตติชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาญานปัญญาในการกำหนดปฏิภาณชื่อว่า ปฏิพาณะปติสัมพิทาญานปัญญาในการพิจารณาอัตชื่อว่าอัตตปติสัมพิทาญานปัญญาในการพิจารณาธรรมชื่อว่าธรรมะปติสัมพิทาญานปัญญาในการพิจารณาน n i ุ u ติชื่อว่านิร r u ติปติสัมพิทาญานปัญญาในการพิจารณาปฏิพาณชื่อว่าปฏิพาณะปติสัมพิทาญาน ปัญญาในการเข้าไปพิจารณาอัตชื่อว่าอัตปฏิสัมพิทายานปัญญาในการเข้าไปพิจารณาธรรมชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทายานปัญญาในการเข้าไปพิจารณานิรุติชื่อว่านิรุติปฏิสัมพิทายานปัญญาในการเข้าไปพิจารณาปฏิภาณชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทายานปัญญาในประเภทแห่งอัตชื่อว่า อัตถปฏิสัมพิทาญานปัญญาในประเภทแห่งธรรมชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาญานปัญญาในประเภทแห่งนิรุติชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาญานปัญญาในประเภทแห่งปฏิพานชื่อว่าปฏิพานเปฏิสัมพิทาญานปัญญาในความปรากฏแห่งอัตชื่อว่าอัตถปฏิสัมพิทาญานปัญญาในความปรากฏแห่งธรรมชื่อว่า ธรรมปฏิสัมพิทาญานปัญญาในความปรากฏแห่งนิรุติชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทายานปัญญาในความปรากฏแห่งปฏิพานชื่อว่าปฏิพานะปฏิสัมพิทายานปัญญาในความกระจ่างแห่งอัตชื่อว่าอัตตปฏิสัมพิทายานปัญญาในความกระจ่างแห่งธรรมชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทายานปัญญาในความกระจ่างแห่ง e um um, นิรุติ Mix ชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทายานปัญญาในความกระจางแห่งปฏิพานชื่อว่าปฏิพาณปฏิสัมพิทายานปัญญาในความรุ่งเรืองแห่งอัตชื่อว่าอัตตปฏิสัมพิทายานปัญญาในความรุ่งเรืองแห่งธรรมชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทายานปัญญาในความรุ่งเรืองแห่งนิรุตติชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาาน ปัญญาในความรุ่งเรืองแห่งปฏิพานชื่อว่าปฏิพานะปฏิสัมพิทาญานปัญญาในการประกาศอาจชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาญานปัญญาในการประกาศธรรมชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาญานปัญญาในการประกาศนิรุติชื่อว่านิรุติปฏิสัมพิทาญานปัญญาในการประกาศปฏิพานชื่อว่าปฏิพานะปฏิสัมพิทาญาน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 68อินทริยะปะโรปริยัตญาณ น, นิเทศแสดงอินทริยะปะโรปริยะตญาณญาณในความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายของพระตถาคตเป็นอย่างไรคือในญาณ น, นี้พระตถาคตรทรงเห็นหมู่สัตว์ผู้มีกิเลสดุทุลีน้อยในปัญญาจักสุมีกิเลสดุทุลีมากในปัญญาจักสุมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อน มีอาการดีมีอาการสามพึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายพึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษโ ด, ดยความเป็นภัยบางพวกมักไม่เห็นปรโลกและโทษโ ด, ดยความเป็นภัยคำว่าผู้มีกิเลสดุทุลีน้อยในปัญญาจักสุมีกิเลสดุทุลีมากในปัญญาจักสุอธิบายว่าบุคคลผู้มีศรัทธาชื่อว่า มีกิเลส ด, ดุทุรีน้อยในปัญญาจากสุบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาชื่อว่ามีกิเลสดุทุรีมากในปัญญาจากสุบุคคลผู้มีความเพียรชื่อว่ามีกิเลสดุทุรีน้อยในปัญญาจากสุบุคคลผู้มีความเกียจคร้านชื่อว่ามีกิเลสดุทุรีมากในปัญญาจากสุบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นชื่อว่ามีกิเลสดุทุรีน้อยในปัญญาจากสุ บุคคลผู้มีสติหลงลืมชื่อว่ามีกิเลสดุรุธุลีมากในปัญญาจากสุบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นชื่อว่ามีกิเลสดุรุธุลีน้อยในปัญญาจากสุบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นชื่อว่ามีกิเลสดุรุธุลีมากในปัญญาจากสุบุคคลผู้มีปัญญาดีชื่อว่ามีกิเลสดุรุธุลีน้อยในปัญญาจากสุบุคคลผู้มีปัญญาสามชื่อว่า มีกิเลสดุทุลีมากในปัญญาจากสุคำว่ามีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนอธิบายว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนบุคคลผู้มีความเพียรเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบุคคลผู้เกียจคร้านเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้า บุคคลผู้มีสติหลงลืมเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนบุคคลผู้มีปัญญาดีเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบุคคลผู้มีปัญญาซามเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนคำว่ามีอาการดีมีอาการซามอธิบายว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีอาการดี บุคคลผู card, depends, ้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้มีอาการซามบุคคลผู้มีความเพียรเป็นผู้มีอาการดีบุคคลผู้เกียดคร้านเป็นผู้มีอาการซามบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีอาการดีบุคคลผู้มีสติหลงลืมเป็นผู้มีอาการซามบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้มีอาการดีบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้มีอาการซาม บุคคลผู้มีปัญญาดีเป็นผู้มีอาการดีบุคคลผู้มีปัญญาสามเป็นผู้มีอาการสามคำว่าพึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายพึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากอธิบายว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากบุคคลผู้มีความเพียรเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่าย บุคคลผู้เกียจคร้านเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายบุคคลผู้มีสติหลงลืมเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากบุคคลผู้มีปัญญาดีเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่าย บุคคลผู้มีปัญญาสามเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากคำว่าบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยบางพวกมักไม่เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยอธิบายว่บาวบาุคคลผู้ม MM ีศรัทธาเป็นผ uh> ู้มักเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้มักไม่เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัย บุคคลผู้มีความเพียรเป็นผู้มักเห็นปรโลกและโทษเดือความเป็นภัยบุคคลผู้เกียจคร้านเป็นผู้มักไม่เห็นปรโลกและโทษเดือความเป็นภัยบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มักเห็นปรโลกและโทษเดือความเป็นภัยบุคคลผู้มีสติหลงลืมเป็นผู้มักไม่เห็นปรโลกและโทษเดือความเป็นภัยบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่น เป็นผู้มักเห็นป ร, รโลกและโทษโดยความเป็นภัยบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้มักไม่เห็นป ร, รโลกและโทษโดยความเป็นภัยบุคคลผู้มีปัญญาดีเป็นผู้มักเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยบุคคลผู้มีปัญญาสามเป็นผู้มักไม่เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยคำว่าโลกอธิบายว่าขันธโลกโลกคือขันธ ธาตุโลกโลกคือธาตุอายตนะโลกโลกคืออายตนะวิปัติภวะโลกวิปัติสัมภวะโลกสัมปัติภวะโลกสัมปัติสัมภวะโลกโลกหนึ่งคือสัตว์โลกทั้งปวงดำรงอยู่ได้เพราะอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่ โลกห้าคืออุปทานขันห้าโลกหกคืออายตนะภายในหกโลกเจ็ดคือวิญญาณนติติเจ็ดโลกแปดคือโลกธรรม8ปดโลกเก้าคือสัตวาวาสเก้าโลกสิบคืออญยตนะสิบโลกสิบสองคืออายตนะสิบสองโลกสิบแปดคือธาตุสิบแปดคำว่าโทษอธิบายว่า กิเลทั้งปวงเป็นโทษทุจริตทั้งปวงเป็นโทษอภิสังขารทั้งปวงเป็นโทษกรรมอันเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่ภพทั้งปวงเป็นโทษสัญญาในโลกนี้และในโทษนี้ว่าเป็นภัยอันแรงกล้าปรากฏแล้วด้วยประการชนี้เหมือนสัญญาในศัตรูผู้เงื่อดาบเข้ามาจะาฆ่าปรากฏแล้วฉะนั้นพระตถาคตทรงรู้ทรงเห็นทรงทราบ ทรงรู้แจ้งซึ่งอินทรีห้าประการนี้ด้วยอาการห้าสิบอย่างนี้นี้เป็นยานในความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีของสัตว์ทั้งหลายของพระตถาคตอินทรียัตรปรูปป ร, ริยัตญาณ น, นิเทศที่หกสิบปดจบห9สิบเก้าอาชยานุสยะญาณ น, นิเทศแสดงอาชยานุสยะญาณ ยาในอาศิยะและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายของพระตถาคตเป็นอย่างไรคือในญานนี้พระตถาคตทรงทราบอาศิยะของสัตว์ทั้งหลายทรงทราบอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายทรงทราบจริตของสัตว์ทั้งหลายทรงทราบอธิมุตของสัตว์ทั้งหลายทรงทราบชัดภัพพสัตว์สัตว์ที่ควรบรรลุธรรมในภพนี้และอภัพพสัตว์สัตว์ที่มีควรบรรลุธรรมในภพนี้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 ย่อมทรงทราบบุคคลผู้เสพกลามว่าบุคคลนี้เป็นผู้หนักในกลามมีกลามเป็นที่อาศัยน้อมไปในกลามทรงทราบบุคคลผู้ปฏิบัติเนี่ยขมมะว่าบุคคลนี้เป็นผู้หนักในเนก่ยขมมะมีเนก่ยขมมะเป็นที่อาศัยน้อมไปในเนก่ยขมมะทรงทราบบุคคลผู้ปฏิบัติซึ่งพยาบาทว่าบุคคลนี้เป็นผู้หนักในพยาบาทมีพยาบาทเป็นที่อาศัย น้อมไปในอภยบาศทรงทราบบุคคลผู้ปฏิบ fit, ัติซึ่งอพยบาทวา่าบุคคลนี้เป็นผู้หนักในอพยบาทมีอพยบาศเป็นที่อาศัยน้อมไปในอพยบาททรงทราบบุคคลผู้ปฏิบัติซึ่งถีนมิทะว่าบุคคลนี้เป็นผู้หนักในถีนมิทะมีถีนมิทะเป็นที่อาศัยน้อมไปในถีนมิทะ ทรงสราบบุคคลผู้ปฏิบัติซึ่งอาโลกสัญญาว่าบุคคลนี้เป็นผู้หนักในอาโลกสัญญามีอาโลกสัญญาเป็นที่อาศัยน้องไปในอาโลกสัญญานี้เป็นฉันทะที่มานอนเนื่องของสัตว์ทั้งหลายอนุัยของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไรคืออนุใสเจได้แก่หนึ่งกลามราคานุัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือกามราคะ 2. ปฏิคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือปฏิจะ 3. มมานานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือมานะ 4. ทิฏฐานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือทิฏฐิ 5. วิจิกิจฉานุัสกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือวิจิกิจฉา 6. ภวะราคานุัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือภวะราคะ เจอวิชานุใสกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคืออวิชชากามราคานุใสของสัตว์ทั้งหลายย่อมนอนเนื่องในปิยรูปอารมณ์อันเป็นที่รักสาธรูปอารมณ์อันเป็นที่ยินดีในโลกปฏิทพานุใสของสัตว์ทั้งหลายย่อมนอนเนื่องในอภิยรูปอารมณ์อันไม่เป็นที่รักอาสาธรูปอารมณ์อันไม่เป็นที่ยินดีในโลก อวิชาตกไปในสภาวะธรรมสองนี้ด้วยอาการอย่างนี้มานะทิฏฐิและวิจิกิจฉาพึงเห็นว่าตั้งอยู่ในฐานะแห่งเดียวกันกับอวิชานั้นนี้ชื่อว่าอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายเจริญของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไรเพื่อบุญญาพิสังขารสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดีอปุญญาพิสังขารสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่ว อนเนชาพิสังขารสภาพที่ปรุงแต่งพบอันมั่นคงไม่หวั่นไหวที่เป็นกลามาวจรภูมิหรือที่เป็นรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมินี้ชื่อว่าจริตของสัตว์ทั้งหลายอธิมุตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไรเครือสัตว์ทั้งหลายมีอธิมุตซามก็มีมีอธิมุตปราณีก็มีสัตว์ทั้งหลายที่มีอธิมุตซามย่อมคบหาสมาคม เข้าไปนั่งใกล้สัตว์ผู้มีอธิมุตสามเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายผู้มีอธิมุตปราณีตย่อมคบหาสมาคมเข้าไปนั่งใกล้สัตว์ผู้มีอธิมุตปราณีตเหมือนกันแม้ในอดีตการสัตว์ทั้งหลายผู้มีอธิมุตสามก็คบหาสมาคมเข้าไปนั่งใกล้สัตว์ผู้มีอธิมุตปราเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายผู้มีอธิมุตปราณีตก็คบหาสมาคมเข้าไปนั่งใกล้สัตว์ผู้มีอธิมุตปราณีตเหมือนกัน แม้ในอนาคตการสัตว์ทั้งหลายผู้มีอธิมุตสามก็จะคบหาสมาค ม, ม, ม, ามเมมม t, คมคมข้าไปนั่งใกล้สัตว์ผู้มีอาทิมุตสาเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายผู้มีอาทิมุตปราณีก็จะคบหาสมาคมเข้าไปนั่งใกล้สัตว์ผู้มีอธิมุตปราณีเหมือนกันนี้ชื่อว่าอธิมุตของสัตว์ทั้งหลายอาภัพสัตว์เป็นอย่างไรคือสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องกั้น คือกรรมกิเลสวิบากเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีชันทะมีปัญญาซามไม่อาจเข้าสู่สมมตานิยามในกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าอภัพปสตัตพัพปสัตเป็นอย่างไรคือสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องกัน้นเือกรรมกิเลสวิบากเป็นผู้มีศรัทธามีชันทะมีปัญญาดี อาจเข้าสู่สมมตินิยามในกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าพัพปัสสัตนี้เป็นญาณในอาศิยะและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายของพระตถาคตอาศิ ย, นศ ย, ยานุสิยะญาณนิเทศที่หกสิบเก้าจบ